บัดนี้จากแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นก็เพื่อเป็นการขัดเกลอบรรดาอาสวะกิเลสทั้งหลายให้เบาบางลงไปดึงกายดึงจิตของตนออกจากอำนาจ ของกิเลสและสังสารวัฏในที่สุดเพื่อให้เกิดความสงบทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจการที่บุคคลเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจุดมุ่งหมายเหล่านี้ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงก็เพื่อจุดหมายเหล่านี้แต่การที่บุคคลจะได้สัมผัสผลดังกล่าวนั้นก็ต้องอาศัยทัศนะ คือความรู้ความเห็นโลกที่ปรากฏอยู่รอบตัวเพราะว่าถ้าหากว่าบุคคลขาดปัญญาเป็นหลักในการพินิษพิจารณาแล้วก็จะมองโลกและชีวิตเท่าที่ปรากฏแก่ตาสามัญคือมังสะจักสุแต่การปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นมุ่งจะพัฒนาตาปัญญาที่เรียกว่าปัญญาจักสุให้บังเกิดขึ้น โดยการพยายามมองโลกเท่าที่ทุกที่ตนเห็นมองถึงเหตุปัจจัยแห่งโลกและมองถึงความแตกสลายแห่งเหตุปัจจัยเหล่านั้นตลอดถึงมองให้ซึ้งถึงอีกฟากหนึ่งของสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาแห่งตนการมองโลกที่แตกต่างกันนี้เองทําให้ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาการปฏิบัติธรรมและแม้แต่การได้ชีวิตของบุคคลแตกต่างกัน วันนี้พึงดูตัวอย่างบุคคลสองคนในสมัยพุทธกาลคือพระเจ้าโกรพะยะและพระรัตปาละทระพระเจ้าโกรภะย ะ, ะ เ, เป็นผู้ใหญ่ที่มีพระชนมายุถึง80สิปีแล้วแต่พระรัฐปาละยังเป็นภิกษุหนุ่มเพิ่งบวชไม่นานเมื่อทั้งสองท่านมาสนทนากันพระเจ้าโกรพะยะท่านมีความรู้สึกว่า การที่คนต้องออกบวชก็ดีต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีนั่นเป็นเพราะความแก่บ้างเพราะความเจ็บบ้างเพราะความเสื่อมทรัพย์บ้างเพราะความเสื่อมญาติบ้างซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าด้วยความคิดเห็นของพระองค์นั้นหมายความว่าคนที่ออกบวชประพฤติพระมจรรย์เป็นต้นก็คือคนที่หมดหนทางในการดาเนินชีวิตแล้ว ซึ่งความคิดในแนวนี้ก็พอๆกับความคิดของคนบางพวกในบ้านในเมืองเราว่าคนที่ออกบวชชีก็คือคนที่อกหักหรือคนที่เข้าวัดก็คือคนแก่ชรานั่นเองแต่พระตปาคตเถระได้อ้างเอาพระพุทธดํารัสที่ท่านได้สดับสับฟังมาและเป็นเหตุให้ท่านสละครอบครัวออกไปบวชว่าโลกคือหมูสัตว์อัญชารานําไปใกล้ ไม่ยั่งยืนข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เป็นเหตุให้ท่านไม่มัวเมาประมาทในชีวิตรีบเร่งประกอบภารกิจเพื่อใช้ชีวิตที่ชราอย่างไม่ถูกคุกคามมากเกินไปนั้นให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นการแสดงถึงความจริงอย่างแท้ จ, จริงเพราะอะไรเพราะว่าในแง่ความคิดของพระเจ้าโครับร ะ, ะนั้นทาให้เกิดคาถามขึ้นมา แล้วก็ตอบไม่ได้อย่างในกรณีของคนแก่คนเจ็บไข้หรือคนที่เสื่อมญาติเสื่อมทรัพย์เสื่อมญาติถ้าหากว่าในขณะที่ตนยังไม่แก่ไม่เจ็บไข้ไม่เสื่อมทรัพย์ไม่เสื่อมญาติก็ต้องหมายความว่าไม่ต้องประพฤติปฏิบัติความดีอะไรกันและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความแก่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความเจ็บไข้จะเกิดขึ้นเมื่อไร่และความเสื่อมทรพัพย์เสื่อมญาติจะเกิดขึ้น ไ, ได้เมื่อไร่ การดารงชีวิตโดยแนวคิดแบบนี้จึงชื่อว่าเป็นการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่อยู่ด้วยความประมาททั้งในวัยทั้งในชีวิตและทั้งในความไม่มีโรคแต่การมองโลกอย่างที่พ ร, ระตาปาลเระได้กล่าวนั้นเป็นการมองโลกอย่างแท้จริงเพราะชีวิตของคนเราทุกคนหรือแม้แต่สิ่งที่เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นก็าตาม เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องตกอยู่ในสภาพของความเปลี่ยนแปลงส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวใดนั้นก็คือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงจราความแก่นั้นย่อมเกิดขึ้นแก่ชีวิตของบุคคลในสองช่วงด้วยกันช่วงแรกท่านเรียกว่าชราปิดหรือแก่ปิดเป็นช่วงชีวิตที่บุคคลไขว่ควัญปรารถนาที่จะให้ได้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก็คือจากเด็กถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาว ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าคนในวัยนี้เวลาอายุเริ่มขึ้นปีใหม่เท่านั้นก็จะเริ่มนับอายุใหม่ของแกแล้วเพราะแกมุ่งหมายที่จะได้ความเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นบินยูชนแล้วจะได้เป็นอิสระในการดารงชีวิตไม่ต้องถูกสั่งบังคับมากเกินไปแต่เมื่อเลยวัยกลางคนไปแล้วชาราที่ปกปิดเอาไว้ก็ปรากฏออกมาเด่นชัด ชาาในช่วงนี้ท่านเรียกว่าชาาเปิดเผยหรือชราเปิดซึ่งการแสดงออกก็เห็นว่าบุคคลไม่ปรารถนาชราในลักษณะนี้ดังนั้นเวลาอายุเลยกลางคนไปแล้วคนจะไม่ยอมนับครบรอบปีอย่างที่เคยนับมาแต่จะนับเมื่อถึงวันเกิดไปแล้วแม้จะถึงวันเกิดไปแล้วก็อาจจะบอกว่าห้าสิบกว่านิดหน่อยเป็นต้น ซึ่งก็หมายความว่าบุคคลไม่ปรารถนาความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติจะเปลี่ยนจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อการเวลาผ่านมาแล้วความจราก็จะต้องเกิดขึ้นแก่ชีวิตของคนพระพุทธศาสนามุ่งสอนที่จะให้บุคคลยอมรับความจริงในช่วงนี้แต่ในขณะเดียวกันชีวิตของบุคคลเราจากจุดเกิดถึงจุดดับ ที่ผ่านชราไปโดยลําดับนั้นเมื่อสติปัญญาอวัยวะมือเท้าพอที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อยกระดับชีวิตพัฒนาจิตใจตนได้ก็ส่งสอนให้รีบเร่งกระทําด้วยความเพี่ยนไปอยา่างอย่างที่ทรงเน้นไว้ในที่ต่างๆว่าท่านทั้งหลายจะได้ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปเพราะคนที่ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปย่อมจะเศร้าโศกเสียใจในการไปหลัง เมื่อกุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นที่จะกระทําความดีอย่างใดอย่างหนึง่งให้รีบเร่งกระทําเสียในขณะนั้นโดยด่วนเพราะว่าถ้าหากปล่อยการเวลาที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปจิตจะโน้มน้อมเข้าไปสู่ครองแห่งอกุศลคือถูกอกุศลครอบงำเอาไว้และจะปิดกั้นโอกาสในการกระทําความดีของตนและทรงเน้นเอาไว้ในพัดเดกรัตติา จึงทรงสอนหลักการใช้ชีวิตของบุคคลว่าการที่ผ่านพ้นไปแล้วไม่ควรจะคิดถึงมันเพราะการเหล่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วในอดีตไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้การที่ยังไม่มาถึงก็ยอย่าไขว่คว้ามันแต่ให้พยายามใช้ชีวิตในปัจจุบันโดยมีปัญญาเป็นประทีปสองทางชีวิตให้เห็นประจักษ์ชัดปัญหาที่เกิดขึ้น ในขณะนั้นๆในเรื่องนั้นๆในอารมณ์นั้นๆซึ่งก็หมายความว่าตัวสติกับปัญญาจะต้องเป็นหลักกากับจิตใจประสบกับรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นก็ต้องรู้เท่าทันต่ออารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยหลักธรรมะคือสติกับปัญญาดังกล่าวเป็นหลักกากับใจโดยในยะนี้แล้วความเศร้าหมองในลักษณะต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจได้เพียงเล็กน้อยหรือบางโอกาสบางขณะอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะสติจะปิดกัน้นบาปอากุศลเหล่านั้นเอาไว้และทรงสรุปทัศนะของชีวิตเพื่อให้บุคคลเพ่งเล็งไปในที่ในการปัจจุบันว่าความเพียรพยายามบุคคลควรรีบทรมเสียในวันนี้ทีเดียวเพราะใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้ เนื่องจากเราทั้งหลายไม่อาจจะผัดเพี้ยนขอต่อรองกับพระยามัจุราชได้เลยดังนี้เป็นต้นประการที่สองพระรัตบาละได้แสดงว่าพระผูมีพระภาคย้ารับสั่งว่าโลกคือมูสัตไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนซึ่งจะเห็นได้ว่าพอเอาขจึงแล้วคนที่มีความรู้สึกว่าตนเป็นใหญ่เป็นโตเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาในลักษณะต่างๆนั้น แต่ว่าก็ต้องประสบกับภัยอันตรายมีลักษณะต่างๆมีความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานตลอดถึงภัยจากธรรมชาติเป็นต้นคุกคามเบียดเบียนความรู้สึกว่าใหญ่ว่าตัวนั้นเอาก็จจิงก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรโอกาสหนึ่งอาจจะถูกโรคเสียดแทงโอกาสหนึ่งอาจจะต้องล้มตายไปดังนั้นชีวิตที่แท้จริงจึงอยู่ที่สาระแก่นสาร อันเกิดขึ้นจากการน้อมนําธรรมมาประพฤติปฏิบัติอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสาระแห่งชีวิตเอาไว้ในรูปของนามธรรมอันบุคคลจะพึงน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติเช่นศีแลสาระสาระคือศีลที่บุคคลจะต้องตั้งจิตเจตนาวิรัติงดเว้นสมาทานศึกษาปฏิบัติไปเพื่อเกิดเป็นการสํารวมกายสํารวมวาจาโดยอาศัยสํานึกทางจิตที่ชอบด้วยเหตุผล สมาธิสาระสมาสาระคือสมาธิได้แก่อาการสงบของจิตแม้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งเพียงโอกาสหนึ่งสงบอำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ไมาให้เกิดขึ้นครอบงามใจได้ก็ชื่อว่าเป็นการสร้างสาระให้บงังเกิดขึ้นภายในจิตใจระดับหนึ่งปัญญาสาระสาระคือปัญญาซึ่งหมายถึงเป็นตัวแก่นแท้ของจิตใจ และชีวิตของบุคคลเพราะชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดปัญญาจึงเประที่แผงโลกปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตปัญญาเป็นรัตนะของนเรชนเป็นต้นในข้อต่อไปนั้นคือโลกไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนี้ก็คือการสอนให้มองโลกในแง่ที่ว่า จะต้องมีการพลากจากไม่โอกาสใดก็โอกาสหนึ่งอย่างที่ทรงสอนในพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองในข้ออภิณหะปัจจุเวกที่สวดกันประ จ, จําวันว่าเราจะต้องพลาดพลากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปนั่นเองดังนั้นบุคคลจะเห็นได้ว่าในแง่ของการสมมติบัญญัติก็เป็นเรื่องของการสมมติบัญญัติแต่ในขณะเดียวกันบุคคลจะต้องเตรียมกายเตรียมใจยอมรับ การ พ, รพราลัดพลาดเ่านั้นเพราะก็จริงแล้วความพลาคจากจะต้องบังเกิดขึ้นเราไม่พลาดพลากจากเขาเขาก็ต้องพลัดพลากจากเราอย่างที่พระปตาจราถรถรีได้แสดงธรรมะแก่สต ร, รีเป็นนันมากซึ่งต้องพลัดพลาดจากลูกแข่งตนโดยท่านเชี่เห็นถึงความจริงอีกลักษณะหนึ่งคือความจริงที่ลึกลงไปถ้าหากว่า บุคคลไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่ปัญญาแล้วก็จะมองความจริงส่วนนี้ไม่เห็นหรือมองเห็นก็ปรับใจยอมรับไม่ได้พระประตาจาราเถรีท่านเคยประสบกับความพลากจากอย่างรุนแรงคือครอบครัวของท่านตายหมดกันในคืนเดียวในโอกาสที่แตกต่างกันในลักษณะที่แตกต่างกันแต่ต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าวบวชเป็นภิกษุณีบรรลุมรผลเป็นพระหัน คนก็ต้องการที่จะศึกษาว่าเมื่อเกิดประสบการณ์ในลักษณะรุนแรงเช่นนี้มีอารมณ์กระแทกกระทันมาจากภายนอกในลักษณะนี้ท่านทําตัวของท่านยังไงแต่ท่านกลับแสดงถึงความจริงที่เรียกว่าเป็นปรมาถะคือความจริงันแท้จริงว่าแท้จริงแล้วเด็กเหล่านั้นเมื่อแกมาแกก็ไม่ได้บอกกล่าวแกจากไปแกก็ไม่ได้บอกล่ะแกก็มาด้วยกรรมของแกแกก็ไปด้วยกรรมของแก เรื่องอะไรเราจะต้องไปร้องให้เสียใจต่อการจากไปของคนที่มาก็ไม่ได้บอกไปก็ไม่ได้ลาลราข้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าเป็นความจริงที่จะต้องทาใจยอมรับไว้ในระดับหนึ่งแม้ในวัตถุสิ่งของต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอีกประการหนึ่งพึงเห็นได้ว่าของหรือบุคคลที่เรากาหนดว่าของเราของเรานั้น มุ่งหมายที่จะให้เกิดเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นอย่างนี้เกิดเป็นอย่างโ น, น้นตามที่ใจต้องการในแง่ความจริงอย่างแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาคือสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตาเพราะบุคคลไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาบ่งการให้เป็นไปตามที่ใจเราต้องการได้จะปวยกล่าวไปยญ่ถึงบุคคลภายนอกวัตถุภายนอกแล้วแม้แต่ขันทั้งห้าประการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของชีวิตบุคคลแต่ละคนก็ไม่มีใครสามารถบงการให้เป็นไปตามที่ตนต้องการได้อย่างที่ทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ในตอนหนึ่งแห่งอนัตตลกักษณสูตรว่ารูปไม่ใช่ตัวใช่ตนถ้ารูปนี้เป็นตัวเป็นตนแล้วรูปนี้ก็จะไม่พึงพึงเปลี่ยนแปลงแปรแปรปวนไปสัตว์ก็อาจจะตั้งความหวังว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยได้ แต่เพราะว่ารูปเป็นอนัตตาคือไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงรูปจึงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยสัตว์จึงไม่อาจตั้งความหวังว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยได้ข้อนี้เป็นการแสดงความจริงที่แท้จริงซึ่งแน่นอนในชั้นของการดารงชีวิตนั้นการสมมติบัญญัติการเรียกร้องกัน จำเป็นจะต้องมีในลักษณะหนึ่งแต่การเตรียมใจ ย, ยอมรับความจริงเพื่อเพียรพยายามปฏิบัติจนเข้าถึงความจริงในลักษณะนี้ก็ต้องมีอยู่ภายในจิตใจเป็นลักษณะที่เรียกกันว่าธรมานุธรรมปฏิบัติคือการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมในชั้นของสมมติก็ปฏิบัติเหมาะควรแก่ชั้นของสมมติในชั้นของความจริงก็มีปัญญาประจักษ์เห็นความจริงเหล่านั้น หลักความรู้ความเห็นในในระดับนี้เป็นพื้นฐานอย่างสําคัญที่จะประคับประคองรักษาจิตของบุคคลไม่เศร้าโศกในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ า, าโศกไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่น้อยใจโทมนัสเสียใจอาลัยร้องโ h มร้องให้ในอารมณ์อันเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกในลักษณะเหล่านั้นข้อนี้จะเห็นได้ว่า เมื่อบุคคลลองวิเคราะห์ไปอีกชั้นหนึ่งในกรณีที่พยายามสั่งคนนั้นให้เป็นอย่างนั้นคนนี้ให้เป็นอย่างนี้หรือบงการคนอื่นปรารถนาให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแท้แต่จริงแล้วเป็นความอ่อนแอทางจิตใจของบุคคลนั้นนั่นเองท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตนเองไม่สามารถควบคุมความคิดที่จะบงการที่จะสั่งการที่จะชี้นิ้วให้คนอื่นทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้ ความอ่อนแอในลักษณะนี้แสดงเห็นว่าไม่สามารถควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองคือแม้แต่ใจของตนเองก็ควบคุมไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามควบคุมสังการปรารถนาตั้งความปรารถนาให้คนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนีน้ความหวังอันสมบูรณ์จะเกิดขึ้นด้วยความคิดในลักษณะนั้นไม่ได้เพราะว่าสัตว์โลกนั้นไม่มีอะไรที่เป็นของของตนอย่างแท้จริง จำเป็นจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปไม่โอกาสใดก็โอกาสหนึ่งประการต่อไปนั้นโลกคือหมูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นทาตแห่งตัณหาซึ่งหมายความว่าโดยพื้นฐานทางใจแล้วจิตใจของบุคคลถูกรุ่มรุมด้วยตัณหาซึ่งถ้าหากว่ามีการสังเกตพิพิพนิตพิจารณาตรวจสอบดูจิตใจของตน จะพบว่ากามาตาหานั้นเกิดขึ้นสูงเป็นพิเศษภายในจิตสํานึกแต่ละวันของบุคคลเพราะจะมีความกระสันอยากปรารถนาไหว้คว้าอารมณ์ต่างๆต้องการที่จะได้สิ่งเหล่านั้นมาตอบสนองความต้องการของตนบุคคลจะมีความรู้สึกว่าตนขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ขาดสิ่ง น, น้นสิ่งนั้นคนตนยังไม่มีหรือมีก็ไม่ดีเท่าคนอื่นหรือบางคราวก็ต้องการจะให้ดีมากกว่าคนอื่นเป็นตน้น ความอยากในอารมณ์เพียงอย่างเดียวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวเองตลอดเวลาเพราะเมื่อบุคคลมีการมาตัณหาจนเพียรพยายามแล้วก็ได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วในที่สุดความรู้สึกเทียบเคียงกับบุคคลอื่นก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อเห็นว่าของที่ตนได้มานั้นเหมือนกับของที่คนอื่นปียูจะเกิดความภาคภูมิใจในระยะหนึ่ง แต่ในที่สุดความรู้สึกก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยอํานาจของมา n นะเข้ามากระตุน้นคือต้องการจะมีการแข่งดีเกิดของนั้นดีกว่าคนอื่นและในที่สุดก็พยายามที่จะให้ดีที่สุดประยสฐที่สุดซึ่งลักษณะเหล่านี้เราเห็นได้แม้ในพฤติกรรมทางศาสนาเช่นการแข่งขันการสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นต้นซึ่งว่าโดยหลักความเป็นจริงแล้วพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกนั้นไม่มีเพราะอะไรเพราะเมื่อคนหนึ่งสร้าง มีความรู้สึกว่าตัวเองใหญ่ที่สุดในโลกจะมีความรู้สึกอยู่ได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่มานะความแข่งดีมานะความถือตัวประลาศะความแข่งดีตลอดทึงตัญหาความทยานอยากที่บังเกิดขึ้นไปในจิตใจของบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็จะพยายามสร้างขึ้นมาแข่งเป็นต้นแล้วในที่สุดการดำเนินชีวิตของบุคคลก็จะห่างจากตัวเองออกไปทุกที เป็นการตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นจากแรงกระตุ้นของตันหาอย่างไม่มีที่สุดพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงตันหาในลักษณะเหมือนกับเถายันทรายหรือเผาไม้เลื้อยมันจะเลื้อยไปแล้วมันจะเกาะในสิ่งหนึ่งก็ไม่หยุดก็เลื้อยไปอีกแล้วก็เกาะอยู่ในสิ่งนั้นอีกก็เลื้อยไปโดยลำดับบางครั้งบางคราวเถาไม้เลื้อยบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็รัดต้นไม้ใหญ่บางต้น แย่งอาหารในต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นจนทําให้ต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นตายไปมากต่อมาจิตใจของบุคคลที่พร่องไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมีความไขวยคว้ า, าปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้บุคคลพยายามกำหนดปีนิพิจารณาดูจิตของตนในขณะนั้นๆในชั้นหนึ่งนั้นบุคคลไม่สามารถละตานาได้ แต่อย่าถึงกระตกเป็นาธาตุของตัหายามที่เคยกล่าวมาแล้วว่ากิเลสนั้นมีลักษณะเหมือนไฟไฟในตัวของมันเองนั้นมีคุณอนันต์มีโทษมหาศาคุณของไฟอยู่ที่เราสามารถควบคุมไฟได้และใช้ไฟให้เป็นประโยชน์ตามที่ตนต้องการได้แต่ยามใดที่บุคคลคุมไฟไม่ได้ไฟมีความรุนแรงเกินกาลังควบคุมยามนั้นอันตรายก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคล ในขณะที่จิตใจ ย, ยังมีกิเลสอยู่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทําอย่างไรจึงจะสามารถบรรเทาความรุนแรงของกิเลสใช้กิเลสไปในกรอบของศีลธรรมกรอบของกฎหมายกรอบของจารีตประเพณีได้ในขณะนั้นความทุกข์ความเดือดร้อนการแผดเผาจากอํานาจของกิเลสก็จะไม่บังเกิดขึ้นดุนแรงแต่ยามใดที่กิเลสท่วมทับใจที่ท่านใช้คําว่าตัณหาท่วมทับ จ, จิตใจของบุคคล จะทำให้ความรุนแรงบังเกิดขึ้นที่จิตก่อนต่อแต่นั้นบุคคลจะคุมไม่ได้ก็จะออกมาทางวาจาและจะออกมาทางกายทุจริตมีลักษณะต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบุคคลจะเห็นได้ว่าทุจริตกรรมต่างๆที่มีการประพฤติกระทําจนสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่สังคมทุกวี่ทุกวันนั้นเกิดขึ้นจากตัณหาที่เกินส่วนเกิดขึ้นจากโทสะที่เกินส่วนเกิดขึ้นจากโมหะที่เกินส่วนนั่นเอง เพราะอะไรเพราะว่าระดับของการละยาณนปะูตุชนทั่วไปนั้นแท้ที่จริงแล้วยังมีกิเลสอยู่ด้วยกันทุกคนยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ด้วยกันแต่เขาสามารถควบคุมความรุนแรงของความโลภของความโกรธความหลงได้อาการทางกายที่แสดงออกก็ไม่ถึงกระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของบุคคลอื่นการพูดจาปราศัยก็ไม่ถึงกระหักรานประโยชน์ของบุคคลอื่น แม้จะมีความโลภ ก, ก็ไม่ถึงกับโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นแม้จะมีความโกรธเกิดขึ้นบ้างในบางโอกาสแต่ก็ไม่เก็บความอาฆาตพยาบาทเอาไว้อาจจะยังมีความหลงความไม่เข้าใจในปัญหาต่างๆอยู่บ้างแต่อาศัยปัญญาในระดับหนึ่งเป็นประทีปสองทางแห่งชีวิตสามารถปฏิบัติภารกิจไปตามแนวของเหตุของผลสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่า อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญและในที่สุดบุคคลเหล่านั้นก็จะประพฤติปฏิบัติในส่วนที่เป็นความดีเป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษไม่ประพฤติกระทำในสิ่งนั้นพฤติกรรมที่เป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นด้วยอํานาจของกิเลสก็ไม่บังเกิดขึ้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในระดับหนึ่ง ก็ปรากฏมีให้เห็นในบางจุดของสังคมอยู่ซึ่งเป็นการยืนยันว่าความรุนแรงของกิเลสเป็นเหตุสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นแต่ถ้าหากว่าคุมได้ในระดับหนึ่งความรุนแรงก็จะเบาลงมาเพียงแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองแต่บุคคลอื่นไม่เดือดร้อนอย่างที่เคยกล่าวถึงกิเลสประเภทที่เรียกว่าประยุท ธ, ธานกิเลส กิเลส ท, ที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจนั้นไม่มีใครก็เดือดร้อนมีแต่บุคคลที่ถูกกิเลสเหล่านั้นกลุ่มรุมใจคนเดียวเท่านั้นจะต้องเดือดร้อนด้วยตนเองเหมือนกับบุคคลประสบกับอาการเสียดแทงของโรคจะรับผลจากความเสียดแทงของโรคนั้นด้วยตนเองคนเดียวเท่นั้นลักษณะความจริงเหล่านี้บุคคลจําเป็นจะต้องอาศัยหลักปัญญาเข้าไปเป็นเครื่องปีนิดพิจารณา เพืเห็นว่าความจริงที่แท้จริงของโลกนั้นไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขอย่างที่พระเจ้าโกรับพยะท่านกล่าวไว้บุคคลผู้ดํารงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องรอให้แก่ซื้อก่อนให้เจ็บซื้อก่อนให้ความเสื่อมญาติเสื่อมทรัพย์ปรากฏซื้อก่อนแล้วจึงจะประพฤติปฏิบัติธรรมแท้จริงและโอกาสเช่นนั้น หรือในภาวะเช่นนั้นแม้มือเท้าของตัวเองยังควบคุมอะไรไม่ค่อยได้นักประสาอะไรจะประพฤติปฏิบัติธรรมเล่าถ้าหากว่าบุคคลได้มองเห็นโลกเห็นชีวิตว่าโลกคือหมูสัตว์อัญชรานำไปใกล้ไม่ยั่งยืนโลกคือหมูสัตว์ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนโลกคือหมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกคือหมูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่ม เป็นธาตุของตัณหาดังนี้แล้วพยายามปฏิบัติธรรมให้เหมาะให้ควรแก่ธรรมะแก่อารมณ์แกเหตุการณ์แก่บุคคลที่บังเกิดขึ้นผลจากการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็จะคุ้มครองรักษาบุคคลเหล่านั้นให้ประสบความสุขความเจริญความสงบตามสมควรแกการประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป